น้ารองเทาต่อยหลายแหล่งช่วยกันอาจารย์พิสารอาจารย์ทรงศิลอาจารย์อันคิตอาจารย์มัจชัยอาจารย์วัดทองขานหลายหลายลูกช่วยกัน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 ให้เราทำการกระทำเป็นหน้าที่ของเราเอาการกระทตอนตอน้ตนๆทีเจา้าอุบัติขึ้นพระ อ, องค์ทาอย่างไรอย่าทิ้งตัวนี้ <c oughs> หกปีผ่านไปทำอะไรบ้าง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 ให้มันเห็นอยู่โถตาโถหน้าหนึ่งเนืองเมื่อมีสติเป็นในกายจะเห็นเรื่องของกายอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายให้ทรหน้าที่เป็นผู้เห็นผู้ดูอย่าเข้าไปเป็นกับเรื่องอาการต่างๆเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอาการ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 นั้นถูกก็อย่าถือว่าเป็นถูกให้เห็นนั้นผิดมันสุกมันทุกก็อย่าถือว่าเป็นสุกเป็นทุกให้ธรรมที่เห็นจึงจะไปไปตามพระพุทธเจ้าเจ้าเจ้าก็บอกไปแล้วเฉลยไว้แล้วว่าเห็นกายสว่ากาย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 ถ้าเห็นแล้วมันง่ายๆสะดวกเหมือนทางด่วนเหมือนถนนว่างถ้าเป็นล้มันติดขัดเป็นจราจรติดขัดเป็นโุกเป็นทุกข์ไปให้สฉกให้ทุกข์ขวงกันให้ผิดให้ถูกขวงกันเอาไว้ไม่ใช่ต้องให้ตัวเองสะดวก อย่าทำให้ตัวเองมีปัญหาถ้ายากก็มีถือว่ามีปัญหาทำให้ตัวเองมีปัญหาถ้าง่ายก็ถือว่าตัวเองมีปัญหาเอาความงมายมาต่อรองเอาความยากมาต่อรองหนักไม่เอาเบกไม่สู้ไม่ใช่การปฏิบัติทามันเป็นเรื่องสะดวกที่สุดไม่ใช่ยาก ดังนักกรรมฐานคราบอกว่าฝึกกิจใจเหมือนจับปูเสีกระดง้งมันไม่ใช่ตู้ที่มีราคาจริโตสดจริต้องเหมือนเพนต่างกันโตสดจริต้องเหมือนเพนเมตตาราคาจริตต้องบํงเพนอสุภกรรมฐานไม่ใช่แบบนั้น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 เหมือนกับมันบอกทางกรมพรมภาวะที่เห็นน่ยมันพาไปไม่มันเหมือนกระ บ, บอกทางภาวะที่เป็นมันเหมือนกระ บ, บอกอีกเหมือนกันสมผัสตัวเห็นก่อยเห็นเวทนาคือสุขคือทุกข์เหมือนกันหมดภาวะที่เห็น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 แต่ว่าผู้ที่มีความเปลี่ยนไม่มีอะไรยากยไม่มีอะไรง่ายไม่เอายากง่าย ม, มาต่อรองนะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นในขอ้อบงำทั้งกายทั้งใจความโมงเหงาหอนนอนก็เห็นจวามชิดพุ่งสั่น ก, ก็เห็นความทเลสงสัยก็เห็นมันเกิดขึ้นมา มันเคยคิดแบบนั้นเคยเชื่แบบนั้นเรามั่งง่วงก็หลับตาหาว้าปากให้เชื่แบบนั้นให้เห็นภาว่าที่รู้เป็นภาวะที่ดูะะ ท, ที่เห็นเนี่ยมันมันอาจจะแช่ได้ทุกอย่างเฉลืยได้ทุกอย่าง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 เป็นหมวดเป็นหมเป็นผิดเป็นถูกยังไงเห็นลูกเห็นหลางไปเห็นฉิเห็นสมาธิเห็นปัญญาอะไรที่มันเป็นบ่อยเห็นเป็นหมวดเป็นหมก็สนุกนะปฏิบัติทมแนวบางทีถ้าดูดีๆมันจะช่วยเรา ถ้าเป็นศีลก็ศีลจะช่วยเราถ้าเป็นสมาธิปัญญาก็ช่วยเราถ้าเป็นอกุศผลก็หลงทุกข์เราล้วก็รู้สัมผัสเราไม่ใช่มีคำถามสัมผัสดูถ้ามีความหลงมันก็ไปอีกแบบหนึ่งถ้ามีความรู้ก็ไปอีกแบบนึง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 แม้แต่เราเป็นนักบวชหรือเป็นครวาดก็อันเดียวกันการทำพรนิพพานให้แจ้งเมื่อยี้เราก็สวดนิปาน า, าชจิกราตถยาเอตามังคัลโมตมงการทำพรนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลแม้แต่เราออกบวช สัพตุก็เนจนิพานาสัจีคณะถายะาอมางกาสาวังเห้ตวะบพาเชตามัมเันเตเอ้าเจ้าอาศัยผ้ากาสบพันนี้สบงจีวร น, นี้โขนผมนี้เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่เพื่ออันเดิน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 เป็นฝ่ายโลกตาเห็นโลกหูได้ยินเฉียงไม่ใช่แบบนั้นมันเห็นธรรมรถพระธรรมย่อมชนรถทั้งพวงอันอื่นไม่มีมีรถเดียวก็มีรถอันอื่นไม่ใช่รถมันก็เป็นหลายรถแต่รถพระธรรมมีรถเดียวคือเห็ น, นรถแต่เดียวเนี่ย เห็นไม่เป็นเนี่ยเป็นรสเลดเหมือนมันด่ายอดโอชาแห่งโคโรดดังที่ราสวดธรรมปะหังรสประทัเหมือนมันด่ายอดโอชาแห่งโคโรดคือมันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันรสรดเดียวมันสุขก็เห็นมันทุกข์ก็เห็น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 ทั้งหมดเลยถ้าเราสิมีสติเห็นกายมากระมาทั้งหมดตั้งกิตด้วยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวายเคลื่อนไหวก็เป็นยืนเดินดั้งนอนหยับหยอบพริบต่อหายใจไก้ใจมันเคลื่อนไหวคือมันคิดถ้าจะไปเอาความคิดไปบังคับคิดเลยมันจะยาก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 ประเทศปกปูดเป็ักรวชีเหนือการเกิดเจบเจ็บตายมีพบไม่มีพบอีกแล้วเป็นเป็ น, ปนชาติสุดท้ายแล้วไม่มีอีกเอาว่าเกิดเ้าว่าเจ็บเว่ า, าเจ็บว้ตายไม่มีอีกแล้วจึงได้ชื่อว่าผระุทเจ้าน่หลงต้นจากเนี่ยจากเอากายเป็นนาำลาเอา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 ถ้าเราหลงอยู่นั่นแหละทางที่จะให้เกิดปัญญาเปลี่ยนหลงเป็นรู้ต้องหลงก็มีอยู่กับเราทุกคนไม่เลือกเวลาการเปลี่ยนหลงไม่เลือกกานเปลี่ยนหลงไปไม่หลงก็ไม่เลือกเวลาเหมือนกันนว่ากาลิกรรม <c oughs> แลบาบาลิกรรมเห็นธรรมที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสุขวัตถุผู้ปฏิบัติ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 มีสุขมีทุกข์ด้วยเวทนานะ่ะเวทนาไม่เป็นเวทนามันเป็นหลอกไ ม, ม้บูชาไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกไม่ใช่สุกไม่ใช่ทุกข์ทำดูผิดเป็นครูมันผิดแล้วก็ตื่นลือล้นนั่งอยู่ ด, ดีสร้างสติอยู่ดีมันคิดไปพุ่นไปคิดไป็นน่น ตื่นกลับมาโอ้ได้ความประสบการณ์ประสบการณ์รกับบทเรียนที่ดีพิดแท้ๆ ท, ท, ทำไมมันไม่ผิดทุกแท้ๆ ท, ท, ทำไมมันไม่ทุกมันไม่มีงานอะไรที่มันชัดเจนเท่ากับเรื่องนี้ขอเวลาทำอันนี้ขอเวลาพูดอย่างนี้ให้คนไม่มีเวลามาใช้ชีวิตแบบนี้ เป็นสวนตัวขมันอย่าลบกวลกันอย่าทาให้การเดือดร้อนทาหน่วยความสะดวกสนับสนบุนให้คนได้ทําแบบนี้ลองดูนะให้โตเรื่องลองดูพออยู่กันได้นี่อันอื่นเราไม่มีที่นี่ไม่มีอะไรไม่ใช่พระเสกพระสวดไม่ใช่พระสร้างพระหลายมากมายทำอะไรพออยู่ได้ จะมุ่งเน้นในเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่หัวใช้ชีวิตกินข้าวชาวบ้านอยู่กติชาวบ้านนุ่งห่มผ้าชาวบ้านที่มาให้มาเพื่อใช้ชีวิตส่วนเนี่ยั้งนักบวชทั้งที่ใครก็ตามถ้าใครดํำริออกจากความทุกข์อย่างนี้แล้ว ว, ดดลออลวว่านักบวชได้ดํำริออกจากโลกนี่ว่านักบวช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 แม่ลมหายใจก็ไม่มาต่อรองกับเราหายใจม่ได้ไม่เช่เาลมหายใจมาต่อรองชีวิตต้องเป็นชีวิตเจ่งไหมนะเก็บเป็นเก็บไม่เจ่ ง, จงทุกเป็นทุกไม่เจ่งทุกต้องไม่เป็นทุ ก, ทกไม่ต่างกันมั้ย คนเหมือนกันทำไมคนหนึ่งทําได้คนหนึ่งทำไม่ได้ไมีมาแล้วตายไม่เป็นตายลองดูสิอะไรเท่มทำํำไมตายหลายอยา่างอย่างน้อยที่สุดล่าหลังที่สุดคือลมหายใจลองดยเสิไม่ใช่ลองหรอกฝึกไปให้มันจานานลองดู อย่าอารมหายใจมาตลองกับชีวิตชีวิตต้องไม่เป็นอะไรไ ม, ไม่เป็นอะไรกับอะไรมันเหนือทุกอย่างเลยนี่คือพุทธศาสนาไม่ใช่ อ, อ่อนรอนไม่ใช่รูปแบบพุทธศาสนาคือมันไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรมาตลองกับชีวิตเราเห็นหมดเรื่องอะไรที่เกิดกับกายกับใจนี่เห็นหมดเลยไม่มี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 แก่ต้องแก่เพความรู้ไม่ใช่อยู่นานหนุ่มก็หนุ่มด้วยความรู้นี่จะเป็นชีวิตชีวาของพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขสงบร่มเย็นทั่วทุกทนหน้าได้นี่คือศาสนาจึงจะเป็นประโยชน์แกพ่พวกเราสร้างบ้านสร้างวัดสร้างวารทำบนตกบารเพื่อการให้โดยตรงจ่งเสริมสนทุนกัน สมควรเช้เวลากับภาพความกัน